สิขาบทวิพันธ์ห้าที่ชื่อว่าผ้าอาบน้ําฝนได้แก่ผ้าที่ทรงอนุญาตไว้ให้ใช้ได้ตลอดสเดือนในฤดูฝนคําว่าผู้จะทําคือภิกษุทําเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทําต้องทําให้ได้ขนาดคือยาวหคืบกว้างสองคืบครึ่งโดยคืบสุคตภิกษุทําเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทําเกินขนาดนั้นต้องอบัตทุกกฎในขนาดที่ทําต้องอบัตปาจิตตีเพราะได้มา ต้องตัดออกแล้วแสดงอาบัต